ภาวนาดีอ่านหนังสือออกมีพระองค์หนึ่งแกเกิดอยู่แถวชายแดนโน่นต่อเขตคเม น, นอนไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกประท่านไปทุดงแถวชายแดนก็ไปได้คนคนนี้มาเอามาแกอยากบวชก็มาสอนให้แกท่องคำขานนาค